การปฏิบัติธรรมเพื่อการบรรลุธรรมจะช้าหรือจะเร็วจะง่ายหรือจะยากส่วนหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับบุญบารมีที่ได้ทำมาในอดีตการปฏิบัติการบรรลุธรรมของแต่ละท่านจึงไม่เหมือนกันบางท่านก็ปฏิบัติง่าย บางท่านก็ปฏิบัติยากบางท่านก็บรรลุชา้าบางท่านก็บรรลุเหลวส่วนหนึ่งของเหตุก็คือบุญบารมีที่ได้ทำมาในอดีตนั่นเองบุญบารมีนี้มีอยู่สิบประการด้วยกันคือหนึ่งอธิษฐานบารมีสองสัจจะบารมี สวิริยะบารมี 4. ขันติบาลมี 5. เมตตาบารมี 6. ทานบารมี 7. จ็ดศีลบารมี 8. เนคขมะบารมี 9. อุเบขาบารมีและ10ปัญญาบารมี นีเกือบบารมีสิบประการที่พวกเราในอดีตชาติอาจจะได้สั่งสมมามากน้อยไม่เท่ากันจึงทำให้ระดับของการปฏิบัติและระดับของการบรรลุธรรมจึงแตกต่างกันถ้าเราต้องการที่จะ ให้การปฏิบัติของเราคืบหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปง่ายสะดวกยิ่งขึ้นไปเราก็ต้องมาเสริมสร้างบุญบา ร, รมีต่างๆเหล่านี้เราสามารถสร้างได้ในปัจจุบันนี้ควบคู่ไปกับการปฏิบัติของเราเช่น อธิษฐานบารมีอธิษฐานบารมีนี้แปลว่าความตั้งใจไม่ได้หมายความว่าขอให้ได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ความหมายของอธิษฐานบารมีในบารมีสิบนี้แปลว่าความตั้งใจการที่เราจะทำอะไรได้นั้นเกิดจากความตั้งใจเป็น จุดแรกถ้าเราไม่มีความตั้งใจเราจะไม่สามารถทาอะไรได้เลยอย่างวันนี้ญาติโยมต้องมีความตั้งใจที่จะมาฟังเทศฟังธรรมถึงจะมาถึงที่นี่ได้ถ้าไม่ได้ตั้งใจเอาไว้ว่าจะมาฟังเทศฟังธรรมก็จะไม่ได้มาที่ตรงนี้ อาจจะอยู่ที่บ้านพักผ่อนรลับนอนเพราะไม่ได้ตั้งใจว่าจะไปทาอะไรนี่คือสิ่งที่เราควรจะฝึกให้มีอยู่ในชีวิตของเราเป็นประจำคือความตั้งใจเช่นวันนี้เราตั้งใจว่าจะฟังเทศฟังธรรมแล้ววันนี้เราจะนั่งสมาธิ จะนั่งกี่ชั่วโมงเราก็กำหนดไปวันนี้จะนั่งสองชั่วโมงสามชั่วโมงก็ว่าไปให้เรามีเป้าหมายในการที่เราจะได้เอาเวลาที่เราอาจจะเอาไปใช้ทำอย่างอื่นมาทำในสิ่งที่เราตั้งใจจะทำผู้ปฏิบัติเพื่อหลุดพ้นนั้น ต้องมีความตั้งใจที่จะภาวนาให้มากๆรักษาศีลให้บริสุทธิ์ก็ตั้งใจไปว่าวันนี้จะทำอะไรฝึกอธิษฐานบารมีไปเมื่อตั้งใจแล้วก็ต้องทำให้ได้ไม่ใช่ตั้งใจแบบลอยๆพอถึงเวลาก็ไม่ได้ทำถ้าอย่างนี้ ความตั้งใจก็ไม่มีประโยชน์อะไรวิธีที่จะทําให้ความตั้งใจของเรานั้นเป็นไปตามที่เราตั้งใจก็ต้องมีบา ร, รมีข้อที่สองคือสัจจะบา ร, รมีสัจจะบา ร, รมีก็คือความจริงใจสัญญาอะไรกับไว้กับตัวเราแล้วต้องไม่ผิดสัญญาต้องมีสัจจะ ไม่โกหกหลอกลวงตนเองหรือผู้อื่นการให้สัจจะนี้เป็นสิ่งที่จะผูกมัดทำให้เราต้องทำในสิ่งที่เราได้ตั้งใจไว้จะทำเช่นวันนี้เราตั้งใจว่าจะนั่งสมาธิสองชั่วโมงเราก็ต้องนั่งสมาธิให้ได้สองชั่วโมงยกเว้นในกรณีที่มันสุดวิสัย เกิดอุบัติเหตุไม่สบายหรือเป็นอะไรที่ไม่สามารถทำได้อันนั้นก็แล้วไปแต่ถ้าไม่สุดวิสัยถ้าทำได้ถ้ามีสัจจะจะต้องทำจะไม่บิดพริ้วจะไม่อ้างเหตุนู้นเหตุนี้นขึ้นมาคนที่มีสัจจะนี้จะทำอะไรตามที่ได้ตกลงไว้ตกลงใจไว้ที่จะทำ งั้นข้อที่สองคือสัจจะบารมีเราต้องฝึกยิสัยให้มีสัจจะขึ้นมาในใจไม่ว่าเราจะสัญญาอะไรไว้กับใครเราต้องรักคำมั่นสัญญานั้นไว้ให้ได้อย่าโลเลอย่าเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไม่เช่นนั้นแล้วเราจะไม่สามารถที่จะทำตามที่เราตั้งใจไว้ได้ แต่ถ้าเรามีสัจจะแล้วพอเราตั้งใจจะทำอะไรเราก็จะทำสิ่งนั้นทันทีอย่างพระพุทธเจ้าตอนที่ประทับอยู่ใต้โคนต้นโพพระพุทธเจ้าก็ทรงอาศัยสัจจะอธิษฐานสัจจะบรารมีทั้งสองทรงตั้งสัจจะอธิษฐานไว้ว่าจะนั่งอยู่ใต้โคนต้นไม้นี้ จนกว่าจะตัดสุลจนกว่าจะบรรลุนจนกว่าจะดับความทุกข์ให้หมดไปภายในใจถ้าตราบใดยังมีความทุกข์อยู่ภายในใจอยู่จะไม่ลุกจากที่นั่งนี้ไปเป็นอันขาดถึงแม่เลือดในร่างกายจะเหือดแห้งไปก็จะไม่ลุกจะปฏิบัติจะภาวนาไป จนกว่าจะสําเร็จนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงกะระทาตอนที่ทรงบําเพ็ญเพียรในขั้นสุดท้ายในเวล า, าสุดท้ายถ้าไม่มีอธิษฐานสัจจะบา ร, รมีนี้ก็จะอานล้มเหลวไปได้นั่งไปแล้วพอ เจอความเจ็บความปวดขึ้นมาอาจจะทนอยู่กับความเจ็บความปวดไม่ได้ก็ยอมแพ้ไปนี่คือสิ่งที่ผู้ปฏิบัติควรที่จะให้ความสำคัญคืออธิษฐานบารมีสัจจะบารมีแล้วพอมีอธิษฐานมีสัจจะแล้วก็ต้องมีวิริยะบารมี วิริยะก็คือความภาคเพียรความขยันหมั่นเพียรในการกระทำในสิ่งที่เราตั้งใจไว้ไม่ใช่ทำแบบพอหอมผากหอมกอแทนที่จะทำให้อย่างเต็มที่ก็ทำพอไม่ให้เสียสัจจะไม่ให้เสียความตั้งใจถ้าทำแบบนั้นผลก็จะไม่ได้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว หรืออาจจะไม่ได้เกิดขึ้นอย่างเต็มที่นั่นเองเมื่อเราตั้งอธิษฐานตั้งสัจจะแล้วเราก็ต้องมีความเพียรอย่างเต็มที่ทำอย่างสดกำลังทําแบบพวกพระเจ้าทำถ้าไม่สำเร็จก็ยอมตายจะไม่ลุกจากที่นั่งที่ประทับนั้นผู้ปฏิบัติตั้มเป็นจะต้องมีความภาคเพียร ถ้าจะทำให้สิ่งที่ตนเองปรารถนาให้ปรากฏขึ้นมาได้แล้วก็ต้องมีขันติบารามีคือความอดทนเพราะการปฏิบัติการกระทาสิ่งที่เราต้องการกระทำนี้ย่อมมีอุปสรรคย่อมมีความยากลำบากมีความทุกข์เป็นธรรมดาถ้าไม่มีขันติความอดทน ก็จะไม่สามารถที่จะทําต่อไปได้พอทําไปแล้วไปเจออุปสรรคไปเจอต่อไปเจอความทุกข์ยากลาบากก็อาจจะยกธงขาวได้แต่ถ้ามีขันติก็จะทําต่อไปช้าบ้างเร็วบ้างไม่เป็นปัญหาแต่จะไม่ยอมยกธงขาวจะพยายามทําไปให้สุดกําลังเท่าที่จะทําได้ นี่คือบารมีสี่ประการด้วยกันที่จะเป็นผู้สนับสนุนในการปฏิบัติธรรมให้เป็นไปได้อย่างง่ายดายและสะรดสะดวกรวดเร็วแล้วถ้าเรามีอธิษฐานมีสัจจะมีวิริยะมีขันติเราก็จะสามารถสร้างเมตตาบารมีขึ้นได้ เราก็ตั้งใจว่าต่อไปนี้เราจะมีแต่ความเมตตาต่อทุกๆคนสรรพสัตว์ทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือเป็นเดรัจฉานหรือเป็นเทวดากายทิพย์ทั้งหลายเราจะมีแต่ความปรารถนาดีต่อสรรพสัตว์เหล่านั้นจะไม่คิดร้ายจะไม่พูดร้ายจะไม่ทำร้ายใครถึงแม้เขาจะทำร้ายเราหรือคิดร้ายต่อเรา เราจะไม่คิดร้ายตอบไม่ทําร้ายตอบจะให้อภัยสัพเพสัตตาเอาเวราโหนตุอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงอย่ามีเวงกันเถิดเราอย่าไปมีเวงกับสัตว์ทั้งปว ง, ง, วปว ง, ปวงความหมายเวลาที่เราสวดแผ่เมตตานั้นยังไม่ได้ถือว่าเป็นการแผ่เมตตาอย่างแท้จริง เป็นการซักซ้อมเป็นการทำกันบ้านเป็นการเตรียมตัวเตรียมใจให้รู้จักวิธีแผ่เมตตาเวลาที่จะแผ่เมตตาจริงๆต้องเวลาที่อยู่ในเหตุการ์ที่มีเหตุการ์ทำให้เราเกิดความโกรธเกลียดขึ้นมาเช่นเวลาไปพบกับบุคคลที่เขาพูดไม่ดีทำไม่ดีกับเรา แล้วเราเกิดความโกรธเกิดความเกลียดขึ้นมาเวลานั้นเราต้องแผ่เมตตาต้องเอเวลาโหนตุจะไม่จองเวรจองกรรมกันจะไม่ตอบโต้คือจะให้อภัยนั่นเองนี่คือเมตตาหรือเราจะทำอะไรอยากได้อะไรเราก็ต้องระมัดระวังการกระทำของเรา ไม่ไปเบียดเบียนผู้อื่นทำอะไรทำมาหากินต้องการอะไรก็ทำด้วยอาชีพที่สุจริตไม่ไปสร้างความทุกข์สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นไม่ไปมีกรณีพิพาทกับใครเช่นถ้ามีกรณีพิพาทระหว่างสมบัติหรือที่ดินก็ยกให้เขาไปไม่ต้องเอาไม่ต้องไปมีเรื่องมีราว อย่าไม่มิอย่าไปสร้างศัตรูสร้างมิตรไว้จะดีกว่าให้เขาได้เขาจะเป็นมิตรของเราและเวลาที่เราเดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือเราจะมีมิตรมาคอยดูแลช่วยเหลือเราแต่ถ้าเราไม่ยอมกันเอาแพ้เอาชนะกันก็จะกลายเป็นศัตรูต่อกันแล้วก็จะอยู่ด้วยกันอยา่างยากลาบาก เวลามีเรื่องมีการต้องการความช่วยเหลือก็จะไม่มีการช่วยเหลือกันยิ่อเสียน้อยดีกว่าเสียมากเสียสมบัติหรือเสียอะไรไปแต่เราจะได้สิ่งที่มีคุณค่ากว่าก็คือได้มิตรภาพ uh. มิตรภาพนี่เป็นสิ่งที่มีคุณค่าราคากว่าสมบัติต่าง นี่คือการแผ่เมตตาต้องแผ่เวลาที่เราพบปะกับบุคคลไม่ใช่แผ่เวลาที่เรานั่งอยู่ในห้องพระคนเดียวตอนนั้นไม่ได้แผ่ตอนนั้นเป็นการเตือนใจสอนใจฝึกซ้อมใจไว้ว่าเราต้องมีความเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งปวงไม่จองเวรจองกรรมไม่เบียดเบียนกันให้มีความปรารถนา ให้สรรพสัตว์ทั้งปวงมีความสุขกายสุขใจกันนี่คือสิ่งที่เราควรที่จะฝึกทำเพราะความเมตตาบารมีนี้จะทำจะเป็นตัวที่จะเปิดประตูของการปฏิบัติธรรมของการสร้างบารมีต่างๆให้เกิดขึ้นได้อย่างง่ายดายเพราะว่าถ้าเรามีเมตตาบารมีแล้ว การสร้างทานบารมีนี้ก็จะเป็นของง่ายเพราะว่าเราจะมีความปรารถนาดีอยากจะให้ผู้อื่นมีความสุขถ้าเรามีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองเหลือกินเหลือใช้เก็บไว้ก็ไม่ได้ใช้ตายไปก็เอาไปไม่ได้เราก็เอามาให้กับผู้ที่เขาตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนช่วยเหลือกัน อันนี้ก็เป็นการแผ่เมตตาด้วยการแบ่งปันทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองเราก็จะได้ทานบารมีขึ้นมาทานบารมีนี้ก็จะทำให้เราสามารถที่จะสร้างบารมีข้อต่อมาได้ก็คือศีลบารมีศีลบารมีก็คือการไม่กระทําบาปทั้งปวง เป็นการไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่พูดปดไม่เสษสรายามเอาและอบายามุขต่างๆผู้ที่มีจิตเมตตาผู้ที่มีทานบารมีจะไม่กระทำในสิ่งที่ทำให้ผู้อื่นต้องเดือดร้อนเวลาจะทำอะไรจะคํหนึ่งถึงความเดือดร้อนของผู้อื่น ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับผู้อื่นไม่คิดแต่จะเอาประโยชน์ใส่ตนเพียงอย่างเดียวก็จะสามารถที่จะสร้างศีลบารมีขึ้นมาได้การมีศีลบาลมีนี้ก็จะทำให้มีกำแพงหรือประตูปิดกั้นอบายถ้าเกิดตายไปจะไม่ต้องไปเกิดในอบาย สำหรับผู้ที่มีศีล น, นักษาศีลห้าและทําทานบารมีมีทานบารมีมีศีลบารมีจะกลายเป็นเทวดาไปเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วแล้วก็จะทําให้สามารถที่จะสร้างบารมีข้อต่อมาได้ก็คือเนคขมมะบารมีเนคขมมะบารมีก็คือ การออกจากการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเพื่อจะได้เข้าสู่การหาความสุขทางความสงบของจิตใจที่เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงที่เป็นความสุขที่ปราศจากความทุกข์ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้เป็นความสุขชั่วคราวและจะมีความทุกข์ตามมา เวลาสูญเสียความสุขนั้นไปเช่นเวลาที่คู่รักคู่ครองของเราต้องจากเราไปความสุขที่เราเคยได้รับจากเขาก็จะหมดไปแล้วสิ่งที่จะเข้ามาแทนที่ก็คือความทุกข์ใจคนฉลาดก็จะรู้ว่าการหาความสุขทางตาหูจมูกเล่นกายนี้ เป็นความทุกข์มากกว่าเป็นความสุขก็จะต้องเปลี่ยนวิธีการหาความสุขจากการหาความสุขผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายให้เข้าหาความสุขจากการทําใจให้สงบ ก, ก็จำเป็นจะต้องเจริญเนื้อมมะบารมียุติการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายด้วยการรักษาศีลแปนั่นเอง ผู้ที่รักษาศีลแปนี้เรียกว่าเป็นผู้ที่กําลังเจริญในธรรมะบารมีคือไม่หาความสุขที่เป็นความทุกข์ความสุขทางตาหูจมูกเล่นกายให้มาหาความสุขที่เป็นความสุขไม่มีความทุกข์ก็คือความสุขที่เกิดจากความสงบ ก, การที่จะมีความสุข การความสุขจากความสงบก็ต้องหยุดหยุดการหาความสุขทางร่างกายนั่นเองศีลข้อสามจากาการไม่ประพฤติผิดประเวณีก็จะมาเป็นการไม่มีการประพฤติผอมจันแทนก็คือการไม่ร่วมหลับนอนกับใครทั้งนั้นไม่ร่วมหลับนอนกับคู่ครองของตนจะเอาเวลาที่ไปหลับนอนกันนั้นมา ทำใจให้สงบมานั่งสมาธิมาเจริญสติบริกรรมพุทโธพุทโธไปเช่นเดียวกับการละเว้นจากการรับประทานอาหารตามความอยากแต่จะรับประทานตามความต้องการของร่างกายร่างกายนี้รับประทานอาหารวันละครั้งสองครั้งก็เหลือ เหลือเฟือแล้วอยู่ได้แล้วไม่ตายไม่ต้องรับประทานอาหารเย็นก็ได้รับประทานเพียงถึงเวลาเที่ยงวันนี้ก็พอเพียงกับการเยียวยารักษาร่างกายให้อยู่ได้อย่างเป็นปกติสุขแล้วเพื่อที่จะได้ไม่มาสร้างนิวรจากการรับประทานอาหารเพราะถ้ารับประทานอาหารมากเวลาจะนั่งสมาธินี้จะง่วงเหงาเหานอน จะนั่งไม่ได้จะอยากจะนอนเสียมากกว่าก็ต้องไม่รับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วแล้วถ้านอนก็ต้องนอนบนบนพื้นแข็งอย่าไปนอนบนพื้นที่มีความนุ่มมีความสบายมากเกินไปการนอนนี้ควรจะเป็นการนอนพักผ่อนของร่างกาย ร่างกายนี้นอนบนพื้นแข็งหรือพื้นนุ่มก็นอนหลับได้เหมือนกันเวลาร่างกายต้องการพักผ่อนไม่สำคัญว่าพื้นจะแข็งหรือจะนุ่มจะต่างกันก็ตรงที่ว่าเวลาร่างกายได้พักแล้วถ้านอนบนพื้นที่นุ่มเช่นผูกหนาๆเวลาตื่นขึ้นมานี้ใจจะไม่อยากจะลุกเพราะมันสบายก็อาจจะนอนต่ออีกสี่หชั่วโมง ถ้านอนบนพื้นไม้พื้นแข็งนี่พอร่างกายได้พักผ่อนพอแล้วตื่นขึ้นมาแล้วก็จะไม่อยากจะนอนต่อเพราะมันไม่สบายก็จะลุกขึ้นมานั่งสมาธิต่อได้นี่ก็คือสีลข้อที่แปดการไม่นอนบนฟูกนนหนาเตียงใหญ่ๆให้นอนกับพื้นปู ด, ด้วยผ้าหรือด้วยเสือ่อก็พอแล้ว แล้วก็ข้อที่เจ็ดก็ให้ยุติการหาความสุขจากาพวกมหรศพพวกบันเทิงต่างๆไม่ออกไปตามสถานบันเทิงแหล่งท่องเที่ยวต่างๆไม่ไปตามงานเลี้ยงต่างๆให้อยู่ที่สงบสงัดวิเวกไปหาที่ไม่มีแสงสีเสียงมารบกวนใจ เพื่อจะได้ภาวนาส ม, มถภ า, าวนาและวิปัสสนาภาวนาก็จะทำให้จเจริญอุ บ, บารมีข้อที่9ได้ก็คืออุเบกขาบารมีอุเบกขาบารมีก็คือการทำใจให้เป็นกลางทำใจให้ไม่มีอากติทั้งสี่ คือไม่มีรักไม่มีชังไม่มีกลัวไม่มีหลงคือไม่มีโลรโกรดหลงไม่มีกามะตัณหาภาวะตัณหาและวิภวะตัณหาการที่จะทําใจให้เป็นอุเบกขาก็ต้องทําใจให้สงบเวลาจิตสงบลงรวมเป็นอปปนาสมาธิใจจะสักแต่ว่ารู้และเป็นอุเบกขา ตอนนั้นจะไม่มีความรักความชังความกลัวความหลงจะไม่มีความโลภความโกรธความหลงไม่มีความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสไม่มีความอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยากเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้หรือไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้จิตที่สงบนั้นจะไม่มีา like มมอารมณ์ต่างๆเหล่านี้จะมีสักแต่ว่ารู้ แล้วก็เฉยต่อทุกสิ่งทุกอย่างแต่ไม่ได้เฉยแบบเฉยเมยเฉ ย, เฉยด้วยสติรู้อยู่ว่าเฉยแต่ถ้ามีความจำเป็นที่จะต้องทำอะไรก็สามารถทำได้ตามปกติแต่ไม่มีอารมณ์ดีใจเสียใจวุ่นวายใจไปกับสิ่งต่างๆที่มารับรู้ เือจะไม่มีความทุกข์ใจปรากฏขึ้นมาสำหรับจิตที่มีอุเบกขาแต่อุเบกขาที่ได้จากสมาธินี้เป็นอุเบกขาที่ยังไม่ถาวรจะเป็นอุเบกขาก็ในขณะที่อยู่ในสมาธิหรือเวลาออกมาจากสมาธิมาใหม่ๆเหมือนกับน้ำที่แช่ไว้ในตู้เย็นถ้าอยู่แช่อยู่ในตู้เย็นน้ำก็จะเย็น เวลาเอาออกมาจากตู้เย็นใหม่ๆก็ยังเย็นอยู่แต่ถ้าปล่อยทิ้งไว้สักระยะหนึ่งความเย็นของน้ำนั้นก็จะจางหายไปถ้าอยากจะรักษาความเย็นของน้ำนั้นก็มีสองวิธีวิธีหนึ่งก็คือเอากลับใส่เข้าไปในตู้เย็นถ้าอยากจะรักษาอุเบกขาให้คงไว้ต่อไปหลังจากออกจากสมาธิมาแล้วก็ต้องกลับเข้าไปในสมาธิใหม่ แต่ถ้าอยากจะรักษาโดยไม่ต้องกลับเข้าไปในสมาธิก็ต้องเจริญปัญญาบารมีถ้ามีปัญญาบารมีปัญญาบารมีนี้จะสามารถรักษาอุเบกขาของจิตให้อยู่ต่อไปได้โดยที่ไม่ต้องเข้าไปในสมาธิปัญญาคืออะไรก็คืออริยสัจสี่ทุกสมุทัยนิโรธมรร ปัญญาจะต้องเห็นว่าทุกข์นี้เกิดจากความอยากทุกขก็คือการไม่มีอุเบกขานั่นเองอุเบกขาคืออะไรคือนิโรดนิโรดก็คือการดับทุกข์เวลาที่จิตมีอุเบกขานี่ทุกขจะดับไปวิธีที่จะรักษาอุเบกขานี้ไว้ก็ต้องมีปัญญาต้องรู้ว่าสิ่งที่จะมาทําให้อุเบกขานั้นหายไป ก็คือความอยากความโลภความโกรธความหลงนี่เองถ้ามีปัญญาเห็นอย่างนี้เวลาเกิดความอยากก็จะได้ไม่ทำตามความอยากถ้ายังฝืนยังอยากจะทำตามความอยากอยู่ก็ต้องใช้ความจริงมาสอนใจว่าความสุขที่ได้จากการทำตามความอยากนันเป็นความสุขเดี๋ยวเดียวเป็นความสุขชั่วคราว แต่จะเป็นเป็นคุกเพราะว่าจะต้องหามาอยู่เรื่อยๆเช่นคนที่ติดยาเสพติดคนที่ติดยาเสพติดนี่เขาคิดว่าเวลาได้เสพยาเสพติดแล้วจะมีความสุขแต่เขาไม่ได้มองว่าเวลาที่ลิ์ของยาหมดแล้วความสุขนั้นหมดไปแล้วก็จะเกิดความอยากที่จะเสพใหม่แล้วถ้า ไม่มียาให้เสพเวลานั้นก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาหรือถ้าร่างกายไม่สามารถที่จะเสพเพราะสู้ฤทธิ์ของยาเสพติดไม่ได้เวลานั้นก็จะต้องทุกข์ทรมานนี่คือตัวอย่างของการทำตามความอยากไม่ว่าจะอยากกับอะไรก็ตามมันจะได้ความสุขเดี๋ยวเดียวได้ความสุขในขณะที่เสพ แต่พอมันหมดไปแล้วก็อยากจะเสพขึ้นมาใหม่ก็ต้องคอยหามาเสพอยู่เรื่อยๆแล้วในที่สุดก็ต้องไปเจอเวลาที่ไม่สามารถจะเสพได้คือสิ่งที่อยากจะเสพอาจจะไม่มีให้เสพหรือร่างกายไม่อยู่ในสภาพที่จะเสพได้เช่นเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเวลาที่แพ้กับ สิ่งที่ที่เสพเช่นคนเดิมสุรามากๆร่างกายก็จะแพ้ฤทธิ์ของสุราอไม่สามารถที่จะเดิมได้เดิมเข้าไปก็ต้องตายเท่านั้น <c oughs> เวลานั้นก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมานี่คือการพิจารณาให้เห็นว่าสิ่งที่ใจอยากได้นั้นไม่ใช่เป็นความสุขเป็นความทุกข์ทุกข์เพราะว่ามัน เป็นของชั่วคราวแล้วก็มันจะไม่ให้ความสุขได้อย่างถาวรเหมือนกับความสุขที่ได้จากอุเบกขาความสงบนี่คือการใช้ปัญญาต้องเห็นอริยสัจสี่เห็นทุกเกิดจากความอยากเ ห, เห็นการดับของความทุกข์หรือกหรือการรักษาอุเบกขานี้เกิดจากการใช้ปัญญาสอนใจไม่ให้ไปทําตามความอยาก ให้เห็นว่าสิ่งที่ใจอยากได้นะมันเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขเช่นคนอยู่คนเดียวเกิดมีความอยากจะไม่มีแฟนอย่างนี้ถ้ามีปัญญาก็จะเห็นว่าการมีแฟนนี้มันเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุขสุขในขณะที่ได้แฟนมาใหม่ๆแต่พออยู่กันไปสักระยะแฟนก็จะเปลี่ยนไปนิสัยเขาที่เคยดีกับเราก็อาจจะเปลี่ยนไป เวลารู้จักกันใหม่ๆเอาอกเอาใจกันดีแต่พอได้กันแล้วก็แทนที่จะเอาอกเอาใจกันก็จะมาเอาอกเอาใจของตนเองเอาใจตนเองแทนไม่สนใจที่จะเอาใจคู่ครองอีกต่อไปคู่ครองก็ต้องเสียใจทุกข์ใจขึ้นมาอันนี้เป็นเรื่องของงานวิจังความสุขมัน จะต้องขายไปหายไปนับหมดไปแล้วความทุกข์ก็จะกลับมาแทนที่อยู่คนเดียวสบายกว่าเพราะไม่ต้องทุกข์กับคู่ครองทุกข์เพราะมีความรักความหวงก็ทุกข์ทุกข์เพราะมีความห่วงเอมีความไม่เข้าใจทะเลาะวิวาสกันก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาเวลาพัดภาคจากกันก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาเอ สูอยู่คนเดียวทำใจให้สงบดีกว่าไม่ต้องอาศัยอะไรมาให้ความสุขกับเราอาศัยความสงบนี้เท่านั้นพอผู้ที่มีปัญญาจะเห็นอย่างนี้นี่คือการสร้างปัญญาบารานีต้องเข้าถึงพระอริยสัจสี่ต้องเห็นว่าความทุกข์ความไม่สบายใจต่างๆของเรานี้ไม่ได้เกิดจากใครเกิดจากความอยากของเรา ที่ไปทำให้ใจของเราไม่สงบไม่มีความสุขนั่นเองถ้าเราหยุดความอยากได้ใจของเราจะมีความสุขโดยที่ไม่ต้องมีอะไรมาให้ความสุขถ้าไม่มีความสงบก็อยากจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้บุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้มาให้ความสุขแต่ลืมไปว่าสิ่งที่ได้มานั้นเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นของชั่วคราว ไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องมีการพัดภาคจากกันไปหรือมีการเปลี่ยนแปลงไปร่างกายของคนเวลาเจอกันตอนหนุ่มตอนสาวก็น่าดูน่ารักน่าชมอยู่กันไปนานๆนเข้าก็หน้าตาก็จะแก่ลงเหี่ยวลงไปสามีบัดภรรยาบางทีเลยต้องแอบไปหาหน้าตาใหม่ๆเห็นหน้าตาเก่าๆอยู่เรื่อยๆแล้วเบื่อ พอแอบไปหาคนข้างนอกคนข้างในรู้ข้าก็เสีย อ, อกเสียใจทะเลาะวิวาดกันดีไม่ดีก็ฆ่ากันตายกันไปนี่ก็คือความทุกข์ที่เกิดจากความหลงความที่ไม่เห็นว่าสิ่งที่เราคิดว่าจะให้ความสุขกับเรานั้นมันจะต้องเปลี่ยนไปมันจะไม่สามารถให้ความสุขแบบเดิมกับเราได้เหมือนกับตอนที่เราได้เขามาใหม่ๆ นี่คือเรื่องของปัญญาต้องมองให้เห็นอั น, นิจังมองเห็นทุกเกิดจากความอยากมองเห็นการดับความทุก์เกิดจากการเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นทุกทุกเพราะไม่เที่ยงทุกเพราะเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับรักษาให้ดีให้เหมือนเดิมได้นั่นเองนี่คือปัญญาข้อที่สิบบารนีข้อที่10 ที่ผู้ปฏิบัติทำควรที่จะมันจเจริญกันให้มากๆให้พิจารณาดูว่าเราขาดบารมีส่วนไหนก็พยายามเสริมบารมีส่วนนั้นไปถ้าขาดอธิษฐานบารมีเป็นคนไม่มีความตั้งใจจะทำอะไรก็หัดฝึกตั้งจิตตั้งใจบังคับตัวเองเช่นจัดตารางไว้เหมือนกับเวลาไปเรียนหนังสือนี่ เด็กเราก็รู้ว่าถ้าปล่อยให้เด็กไปเรียนเองโดยไม่มีตารางการเรียนนี้เด็กจะไม่เรียนกันทางโรงเรียนก็เลยต้องจัดตารางเรียนไว้ว่าเวลานี้ต้องเรียนวิชานี้เวลานี้เรียนวิชานั้นเวลานี้พักเวลานี้ให้เล่นเวลานี้กลับมาเรียนต่อนี่คือตารางซึ่งเป็นเหมือนกับการ สร้างอธิษฐานขึ้นมาสร้างความตั้งใจขึ้นมาฝึกเด็กให้มีวินัยให้รู้จักมีความตั้งใจกระทาในสิ่งต่างๆพอฝึกไปต่อไปเด็กก็จะเคยชินก็จะรู้ว่าต่อไปนี้เวลานี้จะต้องทำอย่างนั้นต้องทำอย่างนี้ก็เอามาใช้กับการปฏิบัติของเราพระพุทธเจ้าก็สอนตารางให้กับพระาสาหรับพระนี้ ให้นอนคืนละสี่ชั่วโมงก็พอคือตั้งแต่หกโมงเย็นถึงสี่ทุ่มให้ภาวนาพอถึงสี่ทุ่มถึงตีสองก็ให้พักผ่อนหลับนอนพอตีสองตื่นขึ้นมาก็ให้ภาวนาต่อเดินจงกรมนั่งสมาธิจนถึงเวลาสว่างพอสว่างก็มีเวลาให้ไปบินทบาตบินทบาตเสร็จกลับมาขบฉันที่ศาลาเสร็จแล้วก็มีเวลาทากิจวัตร ล้างบาดเช็ดบาดกวาดถูสาราทําความสะอาดทุกอย่างให้เรียบร้อยแล้วก็ให้กลับไปที่กฎิเพื่อไปภาวนาต่อภาวนาจนถึงเที่ยงหรือบ่ายถ้าเหนื่อยอยากจะพักก็พักได้สักชั่วโมงหนึ่งหลังจากนั้นตื่นขึ้นมาก็ให้เดินจงกรมนั่งสมาธิต่อจนถึงเวลาปัดกวาดถึงเวลาดื่มน้ําปานะ ถึงเวลาสงน้ำอาบน้ำอาบท่าพออาบน้ำอาบท่าเสร็จก็ให้ภาวนาต่อจนถึงเวลาสี่ทุ่มเนี่แล้วก็พักผ่อนหลับนอนจนถึงตีสองนี่ก็เป็นการมีอ่ ะ, อะมีสัตมีอธิษฐานมีความตั้งใจที่จะทำภารกิจต่างๆตามที่ได้กำหนดเอาไว้เราถ้าไม่มีความตั้งใจ กิเลสมันมักจะเดึงเราไปทำในสิ่งที่เราไม่ผืนกระทำกันแทนที่จะภาวนาก็อาจจะไปเปิดทีวีดูไปเข้าไปหาอะไรเป็นแหล่งเป็นเเครื่อบันเทิงต่างๆมอหลฮสศพต่างๆดูภาพ ย, ยนตร์บ้างดูละครบ้างฟังเพลงบ้างหรือหาขนมขน ม, ขนมมาเดิมมารับประทานกันบ้างทากิจที่ ส่งเสริมให้เกิดความทุกข์เกิดความอยากมากขึ้นไม่ใช่ทำกิจที่จะไปละความละความอยากลดความทุกข์กันถ้าเราอยากที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์เราต้องระมัดระวังต่อกิจกรรมต่างๆอย่าให้เดินไปในทางของความอยากเพราะจะเป็นการสร้างความทุกข์ต้องให้กิจกรรมของเรานั้นออกจากความอยาก เพราะการลดความอยากนี้ก็เท่ากับการลดความทุกข์นั่นเองเพราะความทุกข์นี้เป็นผลความทุกข์เป็นผลของความอยากเหมือนไฟเป็นผลของเชื้อไฟถ้าเราเติมเชื้อไฟเข้าไปในกองไฟไฟจะไม่มีวันดับถ้าอยากจะให้ไฟดับต้องดึงเชื้อออกจากกองไฟแล้วเดี๋ยวไฟก็จะหมดไปเองทันใด การดำเนินชีวิตของพวกเราการปฏิบัติของพวกเรานี้ต้องพุ่งเป้าไปที่การลดความอยากและความอยากเพราะเราต้องการดับความทุกข์กันเราไม่ต้องการพบความทุกข์เราไม่ต้องความเราไม่ต้องการให้มีความทุกข์หลงเหลืออยู่ภายในใจของเราแต่เราไปหยุดความทุกข์โดยที่ไม่ไปหยุดที่ต้นเหตุไม่ได้ทุกข์นี้มันเป็นผล จะหยุดทุกข์ได้ก็ต้องหยุดที่เหตุของความทุกข์เหตุของความทุกข์ก็คือความอยากต่างๆและเหตุที่จะทําให้หยุดความอยากได้ก็คือการดาเนินชีวิตของเราไปในทางตรงกัดข้ามกับการเสริมสร้างความอยากแทนที่จะไปหาความสุขทางตาหูจมูกเล่นกายที่เป็นการเสริมความอยากทาง กามอารมณ์กามตัณหาเราก็ต้องไปเปกวิเวกไปเจริญเนคขมะบารมีไปรักษาศีลแปดการที่จะปล่อยให้ใจเราคิดฟุ้งซ่านคิดแล้วก็เกิดความอยากเกิดความทุกข์ต่างๆขึ้นมาก็ต้องเจริญสติคอยควบคุมความคิดภาวนาพุทโธพุทโธไปบริกรรมพุทโธพุทโธไปอย่าให้คิดถึงเรื่องราวต่างๆ แล้วใจก็จะไม่สามารถสร้างความอยากขึ้นมาได้ใจจะว่างจะเย็นจะสบายจะมีความสุขไม่ต้องไปทำอะไรให้เหนื่อยไปเปล่าๆทาตามความอยากแทนที่จะมีความสุขกับมีความทุกข์สู้หยุดความอยากไม่ได้หยุดความอยากหยุดความคิดทําใจให้สงบให้เป็นอุเบกขาแล้วไม่ต้องการอะไร อยู่เฉยๆได้แสงสบายนี่คือการดำเนินการปฏิบัติของพวกเราต้องมุ่งไปที่การดับความทุกข์ดับความทุกข์ก็ต้องละความอยากการจะละความอยากก็ต้องเดินไปในทางมรรคทางที่พระเจ้าทรงสอนให้เราบาเพ็ญคือให้ทำทานแทนที่จะเอาเงินไปซื้อไปเที่ยวไปทาอะไรตามความอยาก ก็เอาเงินนี้ไปทำบุญแทนแทนที่เราจะไปเบียดเบียนผู้อื่นสร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่นเราก็อย่าไปทำแทนที่เราจะไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเราก็ไปหาความสุขจากการภาวนาการทําใจให้สงบแล้วก็จเจริญปัญญาเพื่อที่จะรักษาความสงบนี้ให้คงอยู่กับใจไปอย่างถาวรต่อไป นี่คือเรื่องของการบำเพ็ญการปฏิบัติของพวกเราที่มีความยากมีความง่ายต่างกันมีความช้ามีความเร็วต่างกันก็อยู่ที่บุญบารมีทั้งสิประกาศนี้ถ้าเรามีบุญบารมีนี้มามากการปฏิบัติของเราก็จะไปง่ายและไปเร็ว ถ้ามีน้อยก็จะไปช้าและจะไปยากแต่ก็เรายังไม่สายเกินแก้ตอนนี้เราขาดอะไรเราก็เติมมันไปถ้าขาดอธิษฐานบา ร, รมีก็เติมอธิษฐานเข้าไปถ้าขาดสัจจะบา ร, รมีก็สร้างสัจจะบา ร, รมีหัดเป็นคนจริงใจไม่โกหกหลอกลวงปิ้นป้อนพูดอะไรลั่นวาจาไว้อะไรไว้กับใคร ก็ต้องรักษาวาจานั้นไว้ให้ได้บางคนมาลั่นวาจากับพระพุทธรูปขอนั้นขอนี้ได้แล้วจะบวชเจ็ด 7, 0, วันสิบวันพอได้มาแล้วก็มาถามว่ามีเหตุอย่างนู้นอย่างนี้ขอต่อรองได้ไหมก็เวลาที่เราขอทําไมเราไม่ไปต่อรองไว้ก่อนตอนที่เราขอพอได้มาแล้วเกิดเปลี่ยนใจไม่อยากจะทําตามที่ได้ให้สัจจะวาจาว่าแล้ว าถ้าทำอย่างนี้ต่อไปชีวิตของเราก็จะล้มเหลวเราจะเป็นคนไม่มีสัจจะจะทำอะไรไม่สำเร็จต้องรักษาสัจจะไว้ให้ได้ถ้าเราไม่มีวิริยะก็พยายามสร้างควมวิริยะขึ้นมาหาอะไรทำอย่าอยู่เฉยๆเดินจงกรมนั่งสมาธิไปถ้ามันขี้เกียจก็บังคับให้มันเดิ น, น, นทีละสามสี่ชั่วโมงไปเลย ให้มันล้มตายไปเลยก่อนถึงจะหยุดเดินหรือถ้าจะนั่งก็ให้มันนั่งไปนานๆไปเลยนั่งก็อย่านั่งเฉยๆนั่งต้องบริกรรมพุทโธพุทโธเจริจรสติฝึกมิตรใยให้มีความภาคเปลี่ยนอย่าปล่อยเวลาที่มีคุณค่านี้ผ่านไปโดยไม่กระทําอะไรให้เป็นประโยชน์ทั้งกับตัวเราและกับผู้อื่นนี่คือการสร้างเสริมสร้างสิ่งที่เราขาด ถ้าไม่มีขันติก็ต้องฝึกหัดอดทนเอาัดอดข้าวเย็นกันบ้างอดมื้อกินมื้อบ้างอดวันกินวันบ้างอดเที่ยวอดเล่นบ้างดูซิมันจะเป็นยังไงจะตายให้มันให้มันรู้ไปอ่าฝึกหัดสร้างขันติบารมีขึ้นมาอย่าอยู่อย่างสุขอย่างสบายหาวันอยู่แบบทุกข์ยากลำบากมากงเช่นวันพระนี่พูะเจ้าสอนให้เรามาอยู่แบบทุกข์ยากลําบากกัน ไ ม, ไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้หาความสุขกันทางตาหูจมูกลิ้นกายให้มาอดอดเที่ยวอดเล่นกันอดกินอดดื่มกันเพื่อที่จะได้สร้างขันติบารมีขึ้นมาสร้างความอดทนขึ้นมาเพราะการเดินทางไปสู่พระนิพพานนี้ท่านบอกว่ามันอยู่ฟากตายถ้ากลัวตายกลัวความทุกข์ยากลำบากนี้จะไปไม่ถึง ผู้ที่จะไปให้ถึงได้จะต้องมีขันติบา ร, รมีขันติท่านบอกว่าเป็นไฟแผดเผากิเลสขั้นตีตะโปตีติขาเนี่ยเป็นตะปะทำเป็นไฟแผดเผากิเลสตัณหาทั้งหลายถ้าไม่มีขันติแล้วจะไม่มีกําลังที่จะหยุดกิเลสตัณหาได้ถ้าขาดเมตตาบา ร, รมีก็แผดเมตตาอยู่เรื่อยๆ มีอะไรก็แบ่งปันให้คนนั้นคนนี้ยิมย้มแย้มแจม่มใสเจอใครก็ทักทายมีความปรารถนาดีอย่าหน้าบึ้งตึงถ้าเขาเดือดร้อนก็ช่วยเหลือเขาวันเกิดเขาก็ซื้อของขวัญไปให้เขาเขาโกรธเราเกลียดเราก็อย่าไปโกรธเกลียดตอบให้อภัยนี่คือการสร้างเมตตาบา ร, รมีทานบา ร, รมีก็แบ่งปันกัน มีมากมีน้อยพอที่จะแบ่งปันกันได้ก็อย่า อ, อย่าเอาไปใช่อย่างอื่นเลยเอาไปซื้อกระเป๋าอีกใบซื้อลองเท้าอีกคู่มันก็ไม่สู้เอาไปทําบุญทําทานไม่ได้ผลที่ได้รับต่างกันเหมือนฟ้ากับดินซื้อกระเป๋าซื้อลองเท้าใหมา่คู่รู้สึกดีใจเดี๋ยวเดียวแล้วมันก็หมดใหม่เหมือนกับตอนที่ไม่มีกระเป๋าใบนั้นเอแต่เอาเงินไปทําบุญทําทานแล้วจะเกิดความสุขใจ ใจจะสูงขึ้นใจจะประเสริฐขึ้นจากการที่เราได้เป็นผู้ให้ทานต่อผู้ยิ่งได้รักษาศีลยิ่งทำให้เราสูงขึ้นเพราะเราไม่ไปเบียดเบียนใครไม่ไปสร้างความทุกข์สร้างความเดือดร้อนให้กับใครแล้วความทุกข์ความเดือดร้อนนั้นก็จะไม่กลับมาหาเราให้ทุกแต่ท่านทุกนั้นต้องกลับมาหาตนเสมอให้สุขแก่ท่านสุขนั้นก็จะกลับมาหาเรา นี่คือเรื่องการเสริมสร้างบารมีแต่ละชนิดที่เรายัางคิดว่าเรายัางไม่มียังไม่สายเกินแก้ทำได้ได้เร่งรีบทํากันแล้วไม่นานมรรคผลนิพพานที่พวกเราทั้งหลายปรารถนาก็จะปรากฏขึ้นมาอย่างแน่นอนการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พร ยะถาวารวหาปุราปริกปุเรนติสากหลังเอวเมวะอโตทินนางเปตานังอ e ุปการปติอิจิตตังปฏิตังตุมหังเขปเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกะปา จันทูปนาราโสยธามณิจติระโสยธาสพีติโยวิวาจันโุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวตวันตราโยสุขีธีคาโยโกภวะอภิวาทนสีิตสะนิจังวุธาปจายโนจตารโธรรมวาทานติ พลต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านผู้ใดมีคำถามอยากจะถามขอกรุณาถามตอนนี้ได้เลยให้ถามผ่านทางไมโครโฟนหลังจากที่เลิกปิดไมโครโฟนแล้วก็จะไม่ขอตอบปัญหา ต, ตอบก็ตอนช่วงนี้ตอนช่วงที่เปิดไมโครโฟนอยู่เพื่อประโยชน์ของผู้อื่นด้วยเพราะเราเป็นเหมือนนักเรียนอยู่ในห้องเรียนปัญหาของเราคนหนึ่งก็เป็นเหมือนปัญหาของคนอื่นด้วยเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นเวลาที่เราถามปัญหาของเราผู้อื่นที่เขาไม่มีปัญหาเขาก็จะได้รู้ล่วงหน้าไว้ก่อน เวลาที่เขามีปัญหาเขาก็จะได้ไม่ต้องมาถามซ้ำซากเพราะฟังกันพร้อมกันทีเดียวขอเชิญได้ใคาอยากจะถามอะไรช่วยกาลณายื่นยื่นยื่นไมโครโฟนไปให้หน่อยกับนมัสการท่านพระอาจารย์ที่เคารพอย่างสูงครับ ผมมีคำถามเรื่องการดูลมหายใจรู้สึกคล่องใจมานานแล้วก็คือคำว่าดูลมหายใจเนี่ยมันไม่เห็นมีตัวมีตนนะครับอาจารย์มันค่อนข้างจะยากบางท่านก็บอกว่าอปล่อยวา ง, ไ ม, ง, กกงมไม่ต้องไปเกรงมันไม่ต้องไปอะไรให้มันเข้ามันออกแต่ว่าผมลองทําดูแล้วนะครับ สักพักหนึ่งมันตระเริดเปิดเปิงมันไปไหนตอนไหนก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าผมก็เลยเอาอย่างนี้ปล่อยให้มันเข้ามึงอย่าไปไหนนะกั้นไว้อย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าถ้าอย่างนี้ถ้าใจมันจะขาดแล้วมันไม่ต้องคิดอย่างอื่นเสร็จเราปุ๊บค่อยเข้าค่อยออกผมขอคำแนะนำท่านพระอาจารย์ว่าทำอย่างไรถึงจะถูกวิธีครับคือการดูลมหายใจเข้าออกนี้ก็ เป็นการอาศัยลมเป็นที่เกาะให้ใจมีที่ยึดที่เกาะไม่ให้ใจลอยไปตามกระแสของความคิดเท่านั้นเองเหมือนกับเรือที่อยู่ในน้ำถ้าเราต้องการให้เรือจอดอยู่นิ่งๆเราก็ต้องทอดสมอเรือหรือมีเสาของท่าเรือผูกไว้เรือก็จะไม่ไหลไปตามกระแสน้ำใจของเราก็มีกระแสน้ำ คอยพัดใจเราให้ไหลไปความคิดต่างๆนี่มันไหลามาเหมือนกระแสน้ำคิดไปทางอดีตบ้างคิดไปทางอนาคตบ้างคิดถึงคนนั้นคนนี้บ้างถ้าเราปล่อยให้ใจไหลไปคิดไปมันจะไม่สงบเมื่อไม่สงบมันก็จะไม่มีความสุขมันก็จะต้องไปหาความสุขจากสิ่งภายนอกพอคิดถึงขนมก็อยากจะไปหาขนมกินกัน ที่ถึงภาพยนตร์ก็อยากจะไปดูภาพยนตร์กันดังนั้นเราต้องมีอะไรไว้เป็นเครื่องผูกใจเอาไว้ okay? เครื่องผูกใจพระเจ้าก็ทรงสแสดงว่ามีอยู่4ี่สิบชนิดด้วยกันเรียกว่ากรรมฐานส mm ี่สิบการดูลมหายใจก็เป็นหนึ่งในวิธีหนึ่งในการที่จะใช้เป็นเครื่องผูกใจ ถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่สามารถใช้ลมหายใจเป็นเครื่องผูกใจได้เราใช้อย่างอื่นแทนก็ได้เพราะจริตของคนนี้ไม่เหมือนกันและกำลังสติของแต่ละคนนี้ไม่เท่ากันคนที่มีสติน้อยนี้อาจจะรู้สึกว่าดูลมยากอา จ, จต้องใช้การสวดมนต์ไปแทนใช้การท่องบริกรรมพุทโธพุทโธไปแทนก่อนครับผมพอสติเริ่มมีกำลังมากก็จะเห็นลมเอง ถ้ายังไม่เห็นก็แสดงว่าสติยังมีน้อยมองไม่เห็นลมก็อย่าไปใช้ลมใช้อย่างอื่นแทนดูร่างกายก็ได้ท่านบอกว่าเวลาเราทำกิจกรรมอะไรต่างๆให้ใจผูกใจไว้กับกิจกรรมที่เรากำลังทำอยู่เช่นกำลังล้างหน้าก็ให้อยู่กับการล้างหน้าอย่าปล่อยให้ใจไปที่นู่นที่นี่ให้อยู่กับการล้างหน้า เวลาหวีผมก็ให้อยู่กับการหวีผมไม่ใช่หวีผมไปก็ไปคิดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นมาแล้วเมื่อวานนี้หรือเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้อะไรอย่างนี้ให้อยู่กับการหวีผมเพียงอย่างเดียวให้อยู่กับกายถ้าอยู่กับกายท่านก็เรียกว่ากายยะกตาสติอยู่กับลมหายใจก็เรียกว่าอนาปนสติอยู่กับพุทโธก็เรียกว่าพุทธานุสติย่มใหก็ได้ อันไหนที่เราใช้เป็นที่เกาะใจได้เหมือนกับเรือถ้าเรามีสมอเราก็ทอดสมอไม่มีสมอก็หาต้นไม้หาหาท่าเรือหาเสาผูกมันไว้คให้ไม่ให้มันลอยไปเท่านั้นเองครับผมเคยตั้งใจภาวนาพุทธโธนะพุทธโธหนึ่งพุทธโธสองอย่างท่าอาจารย์สอนเมื่อข่าวที่แล้วครับไปได้ประมาณสัก200เฮ้ยมันไปเท่าไหร่แล้ววะ อย่างนี้ปุ๊บนี่ก็คือมาเริ่มต้นใหม่แล้วก็ได้ใช่ไหมับพี่ครับได้ไดเร า, าไม่ได้เอาเอาเลขเอาตัวเลขเราให้รู้ว่าเราเผลอหรือไม่เผลอท่านเองถ้าเผลอเราก็เริ่มใหม่ครับเราดูซิว่าเราจะเผลอน้อยหรือเผลอมากถ้านับไปได้ยาวถึงร้อยถึงพันนี่แสดงว่าไม่เผลอเลยอืแสดงว่าสติเราดีถ้านับไปได้แค่สิบยี่สิบอ่า 10, 20, เริเ่มใหม่แล้ว <c oughs> เป็นครับเพราะว่ามันรู้สึกว่าพอทำปุ๊บนี่เฮ้ยผ้ายังไม่ได้ซักนี่ว่าไอ้นั่นก็ไม่ทารู้สึกมันมีเยอะแยะเข้ามาทำไมตอนนี้ไม่ทำไม่มีคิดอะไรเลยผมสงสัยเหมือนกันเ ร, เราต้องต้องบังคับใจเราอย่าทาอย่าปล่อยให้มันไปตามนิสัยเดิมรเราต้องบอกไม่สนใจอะไรจะมาชวนให้คิดไม่คิดตอนนี้ตอนนี้ไม่ใช่เวลาคิดคถ้าจะคิดก็หยุดก่อนก็ได้<อ> คิดเพราะชีวิตของการอยู่ของค า, า, ารวะมันต้องมีภารกิจการงานต้องคิดนั่นคิดนี่บ้างเป็นธรรมดาถ้าต้องคิดก็หยุดเรื่องพุทโธไว้ก่อนแล้ว ค, คิดเรื่องที่เราจะต้องไปทำพอรู้แล้วว่าต้องไปทำอะไรพอไปดำเนินก็พุทโธต่อไปเวลาใดต้องใช้ความคิดก็หยุดพุทโธถ้าดีก็อย่าไปทำงานเลยไปอยู่คนเดียวไปเป็นพระอย่างนี้ ก็จะไม่ต้องคิดเรื่องอะไรครับเรื่องที่สองครับก็คื อ, อ, อผมคือคราวที่แล้วเรื่องเออขาเรียกว่าล่ะรูปร่างหน้าตาเจอนะครับมันปรุงแต่งได้เร็วมากสวยงามเนี่ยนะครับเรื่องที่สองคือเสียงครับคือปกติทำงานออฟฟิศนะครับโทรบางทีโทรมาปุ๊บเนี่ยโอ้ยทำไมเสียงหวานจังเลยโอยหน้าตาคงสวย เหมือนพิธีกรเนี่ยนะฮะ อ, อย่างฟังเสียงเนี่ยเพราะมากเลยครับฟังแล้วจับใจเลยครับแต่ว่าหน้าตายหนึคือจะมีวิธีการแบบไหนครับว่าอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยคือไม่ให้สวยไม่งามตัดได้ยังไงครับเรื่องเสียงนี่ครับก็พูดโทรไปไงพราะมันจะมันจะปรุงแต่งกับพูดโทรพูดโทรไปครับแล้วว่าแล้กวกว็คิดถึงเอาสุภะบ้างก็ได้ คิดเเวลาเสียงที่สวยนี้เวลาตายไปเป็นอย่างไรดูตอนที่ขึ้นอื่ดท่านสอนให้เราไปโปร่งศพกันคือให้เราไปเห็นคนตายบ้างครับคนตายก็มาจากเสียงที่คนนี้ก็เคยมีเสียงดีอย่างเงี้ยพอไปนึกถึงเวลาที่เขาตายบ้างรเราจะได้รู้ว่ามันมันไม่สวย ม, มีแค่นี้ครับกลับขอบคุณครับ เดี๋ยวทางนี้ทางนี้มิตาขอกาบนรำสการพระอาจารย์ครับ อ, อ, อยู่บนเขาเนี่ยได้เห็นพระคุณเจ้าที่เป็นชาวต่างชาตินะครับหลายหลายรูปด้วยกันมาจากหลายประเทศเออขอความเมตตาพระอาจารย์ช่วยชี้แนะว่าเหตุที่เหตุเหตุปัจจัยอันใดที่ทำให้ชาวต่างชาติเนี่ยมาบวช ผลเขาเนี่ยนะครับอดีตเขาเคยทำอะไรมาก่อนถึงได้มีโอกาสขึ้นมาโบวถ์บนเขานะครับสาธุครับก็อย่างที่ได้แสดงธรรมาแล้วเนี่ยเขาก็คงได้สะสมบา ร, รมีสิบประการนี่มามากพอสมควรมีเนคขมมะบา ร, รมีความปรารถนาที่จะหาความสุขทางความสงบเพราะเขาอยู่ในประเทศที่จเจริญรุ่รงเรืองกับการ หาความสุขทางตาหูจมูกเลี้ยกายแต่เขาก็เห็นว่ามันไม่ได้เป็นสิ่งที่เขาต้องการไม่ได้ให้ตอบสนองความต้องการของเขาเหมือนกับความสงบที่นี้ประเทศเขาเขาไม่มีธรรมเนียมของการบวชเขาก็ต้องมาประเทศเราเพราะประเทศเรามีระบบให้อยู่ แบบไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขเพราะมาบวชก็จะมีที่ปฏิบัติมีที่พักมีผู้สนับสนุนในเรื่องปัจจัยสี่พร้อมมาถึงเขาก็ปฏิบัติได้เลยถ้าอยู่ที่ประเทศเขานี่เขาก็ยังต้องทำมาหากินหาเงินหาทองมาเลี้ยงเขาก็จะไม่มีเวลาที่จะมาหาความสงบได้เท่าที่ควร ดังนั้นอย่างที่ได้สแสดงไว้ในธรรมวันนี้การที่คนเรานี่ไปไกลไปใกล้ไปเร็วไปช้าไปยากไปง่ายก็ส่วนหนึ่งก็อยู่ในอดีตชาติของเราว่าเราได้สร้างบา ร, รมีต่างๆเหล่านี้มามากน้อยเพียงไรถ้ามีมากมันก็บวชง่ายคนที่บวชง่ายสแสดงว่าได้สร้างพวกเนกขัมมะบา ร, รมีศีลบา ร, รมีทานบา ร, รมีมาแล้ว กูเบค้าบารมีมาพอมาบพอมาเกิดในชาตินี้ก็จะมาทําต่อเหมือนนักเรียนถ้าย้ายโรงเรียนเวลาพ่อแม่ย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดอยู่ชั้นม6หรือม3พอไปย้ายโรงเรียนก็ไปต่อม4ได้เลยไม่ใช่ว่าพอย้ายโรงเรียนก็ต้องไปเริ่มที่ม1หรือป1ใหม่บุญบารมีที่เราทําไว้นี่มันสะสมไว้ในใจเหมือนกับการเรียนหนังสือ พอเราย้ายพบย้ายชาติเปลี่ยนร่างกายแต่ใจเราเหมือนคนเดิมใจเรามีบา ร, รมีอะไรก็ยังอยู่ในอยู่อย่างนั้นไม่สูญไม่หายไปพอเรามาเกิดเราก็ใช้บา ร, รมีเก่ามาต่อยอดไปได้เลยไม่ต้องไปเริ่มต้นที่ศูนย์ใหม่ไม่เหมือนกับการเป็นเศรษฐีชาตินี้เป็นเศรษฐีพอตายไปชาติหน้าไปเกิดเป็นคนจนก็ต้องไปเริ่มที่ศูนย์ไปหาเงินทองใหม่ อันบุญบา ร, รมีนี่ถึงสำคัญกว่าลาบยศสารเสริญลาบยศสารเสริญนี้เราเอาติดตัวไปไม่ได้แต่บุญบา ร, รมีทั้งสิ ป, ประการนี้เราเอาไปได้หมดเลยถ้าทานบา ร, รมีเราไปเกิดชาติหน้าก็รวยเลยไม่ต้องมาเริ่มต้นที่ศูนย์เพราะเรามีเงินฝากไว้ในธนาคารบุญพอไปเกิดก็เบิกเงินธนาคารบุญมาใช้ได้เลย เกิดเป็นลูกเศรษฐีลูกพระเจ้าแผ่นดินใช่ไหมพระ พ, พุทธเจ้าสมัยเป็นพระเวชสันดรก็ทําบุญทําทานสร้างทานบา ร, รมีอย่างสุดๆเลยพอตายไปก็ก็ได้ไปสวรรค์ก่อนพอลงจากสวรรค์มาก็มาเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะแล้วพอเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายก็ออกบวชได้เพราะมีปัญญาบา ร, รมีมีเนคขมมะบา ร, รมีมีศีลบา ร, รมี พร้อมที่จะออกบวชได้อย่างง่ายได้คนที่ไม่มีสิ่งเหล่านี้ออกยากเพราะกลัวความทุกข์กันก็อยู่กับความสุขของทางของคนมีเงนินมีทองพอต้องไปบวชนี่มันเหมือนอยู่แบบขอทานอยู่ไม่ได้ถ้าชาติก่อนไม่ได้ฝึกบา ร, รมีต่างๆเหล่านี้มาสมัยนี้ดูด้คนนั่มด้วยยังไม่ค่อยบวชกันมีแต่คนจนบวชกัน เพราะว่าคนจนนี่เขามีขันติบารมีสูงคนรวยนี่ขันติบารมีน้อยเอาใจตัวเองเพอใครขัดใจหน่อยก็โกรธสาธุครับอาจารย์ข้างหลังข้างหลัง<น>ข้างหลังข้างหลัขงข้างซ้ายเออมื่อเราเมื่อเราอยู่กับปัจจุบันขณะจนจนกระทั่งกำลังสติของเราเข้มแข็งนะครับ แล้วเรานั่งสมาธิจนจิตเรารวมลงเป็นหนึ่งเป็นเอกขตารมแล้วก็จิตเราเนี่ยผลิตอุเบกขาสักแต่วรุ่งพอเราออกจากสมาธิเราจะใช้การพิรณาทางปัญญาโดยการไม่พิณาด้วยตนเองแต่ใช้วิธีการพิณาโดยการเปิดธรรมะของพระอาจารย์เนี่ยแล้วเราก็ฟังฟังแล้วก็พิณาจากเนื้อหาของธรรมที่ท่านแสดงเนี่ยจะทําให้เกิดปัญญา ถึงระดับภาวนามยปัญญาหรือว่าจะอยู่เพียงเป็นสุตตะหรือว่าจินตะเท่านั้นนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับว่าในขณะนั้นจิตของเรามีมีทุกมีปัญหาหรือเปล่าสมมติว่าถ้าเรามีทุกมีปัญหาใจเราทุกกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วเราฟังเทศฟังธรรมที่สอนให้เราพิจารณาให้เห็นว่าเรื่องนั้นเป็นตายัก เราเห็นแล้วเราปล่อยวางได้เราดับความทุกข์ใจที่มีอยู่ในขณะนั้นได้มันก็เป็นภาวนามย์ปัญญาคือภาวนามย์ปัญญาก็คือปัญญาที่ดับความทุกข์ที่ถ้ายังไม่มีความทุกข์มันก็ยังไม่ได้เป็นภาวนามันก็จะเป็นจินตาเป็นสูตตาไปแต่ก็เป็นการเตรียมตัวไว้เหมือนกับนักมวยเตรียมชกซ้อมไว้ก่อนพอถึงเวลาขึ้นเวทีก็จะได้น็อกคู่ต่อสู้ได้ไม่ถูกคู่ต่อสู้นอก ถ้าไม่ได้เตรียมไว้เลยไม่มีสุตตะไม่มีภาวนาไม่มีกินตาเลยพอขึ้นไปก็ไม่รู้จะชกกับคู่ต่อสู้อย่างไรดั้นบางทีเรายังไม่มีทุกแต่เรารู้มันจะต้องเกิดเราก็เตรียมตัวไว้ก่อนพิจารณาไว้ก่อนเช่นเรารู้ว่าเราต้องพัดภาคจากกันเราเรารักใครเราก็ต้องพิจารณาคนนั้นว่าสักวันหนึ่งเราต้องจากกันนะถ้าเรารู้แล้วเราพร้อมเวลาจากกันก็จะไม่ทุกข์ แต่ถ้าไม่เตรียมตัวไม่ยอมคิดกันไว้ก่อนคนสมัยนี้ไม่ยอมคิดถึงการพัดพากจากกันอยากจะลืมไม่อยากจะคิดถึงความตายกันพอไปเจอความตายไปเจอการพัดพากจากกันก็ทําใจไม่ได้ดับความทุกข์ใจไม่ได้ดังั้นการเจริญปัญญานี้มีสองลักษณะคือใช้แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันดับความทุกข์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันหรือเป็นการเตรียมพร้อมไว้สําหรับความทุกข์ที่จะตามมาในอนาคต ยันตอนนี้เรายัางหนุ่มยังสาวอยู่แต่เราจะต้องไปเจอความแก่ความเจ็บความตายในอนาคตถ้าเราคิดไว้ล่วงหน้าก่อนเตรียมตัวไว้ก่อนพอเจอเหตุการณ์มันก็จะดับความทุกข์หรือป้องกันไม่ให้ทุกข์เกิดขึ้นได้ถ้าไม่มีทุกข์ก็สแสดงว่าเป็นภาวนามยปัญญาถ้าไปหาหมอหมอบอกเป็นมะเร็งอยู่ได้สามเดือนใจสุดลงไปที่เท้านี่ก็สแสดงว่าไม่มีปัญญายังไม่เป็นภาวนามยปัญญา ถึงแม้ว่าจะได้ยินพระสอนให้พิจารณาอยู่เนืองๆว่าเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่พอไปเจอของจริงเข้าใจสุดลงไปสแสดงว่ายังไม่มีกำลังอาจจะเป็นเพราะว่าไม่มีสมาธิสองอาจจะเป็นเพราะว่าไม่ได้พิจารณาจนกระทั่งลืมไปถ้าเราไม่พิจารณามันจะลืมไปเรื่องอะไรถ้าเราไม่คิดไปสักพักมันจะจางหายไปเราจรึงต้องคิดอยู่บ่อยๆเพื่อจะได้ไม่ลืมนั่นเอง พอไม่ลืมแล้วเราก็ต้องสร้างกำลังคือสร้างอัปปนาสมาธิขึ้นมาสร้างอุเบกขาขึ้นมาเพื่อที่จะทำให้ใจเฉยกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นถ้าใจมีปัญญาใจก็จะเฉยได้ใจรู้ว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราผู้ที่รู้นี้ไม่ได้เป็นอะไรไปกับร่างกายผู้ที่พิจารณาร่างกายไม่ใช่ร่างกาย ผู้พิจิพิจนานี้ก็เป็นเหมือนหมอส่วนร่างกายนี้ก็เป็นเหมือนคนไข้หมอก็ดูแล fe. คนไข้ไป mm แล้วก็รู้ว่าในที่สุดคนไข้ก็ต้องตายไปหมอไม่ได้ตายไปกับคนไข้หมอก็ไม่เดือดร้อนอะไรถ้าเรามีปัญญาเราจะแยกใจออกจากร่างกายได้เห็นว่าเรานี้เป็นเหมือนหมอร่างกายนี้เป็นเหมือนคนไข้ก็ดูแลมันไปรักษามันไปจนกว่ามันจะหมดลมหายใจไป ใ, ใจจะไม่เดือดร้อนถ้าแยกใจออกจากร่างกายได้ก็ต้องใช้ปัญญาเป็นตัวแยกสมาธินี้แยกไม่ได้สมาธิเพ็งกดกดตันหาความอยากไวเท่านั้นเองพอจะเข้าใจให้ทางบ้านถามบ้างคำถามต่อไปจากคุณแววสวรรค์ แยกธาตุทั้งตัวได้หมดแล้วค่ะกําหนดให้ตรงหลุดก็ทำได้เข้าพรรษาเดินจงกรมแล้วเห็นที่โครงสว่างเหมือนนิออนแล้วแตกเป็นผงลงดินไปเกิดขนลุกตลอดเวลาน้ำตาไหลไม่หยุดอยากรู้ว่าควรปฏิบัติอย่างไรต่อคะก็ให้เอาความรู้นี้มาตัดความอยากและความยึดมั่นถือมั่นในร่างกาย คือต้องเอาความรู้นี้มาทําลายตันหาความอยากที่อยากจะให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายหรือว่ามาทําลายความหลงที่ไปคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเราเอาสิ่งที่เราเห็นในที่เราพิจารณานี้มาทําลายตันหาความอยากที่จะทําให้เราทุกข์ใจคือถ้าเรายังมีความทุกข์ใจยึ่เกี่ยวกับร่างกายอยู่เราก็ต้องเอาสิ่งที่เรารู้และเห็นนี้มาใช้ เช่นถ้าเรายัางรักคนนั้รักคนนี้ยังไม่อยากให้เขาจากเราไปอย่างนี้เราก็ต้องพิจารณาตามที่เราเห็นว่าเขาจะต้องกลายเป็นกระดูกไปกลายเป็นธาตุไปการรู้อย่างเดียวนี้ยังเป็นเหมือนก็ได้เครื่องมือมาได้ยามาก็ต้องเออยานี้มารับประทานเอาเครื่องมือนี้มาใช้แก้ปัญหาต่อไปอถ้าถ้าไม่ปมีปัญหาก็ลอง ไปสร้างปัญหาขึ้นมาดูถ้าคิดว่าเราไม่กลัวความตายก็ลองไปอยู่ที่มันน่ากลัวดูดูเสียว่าเราจะกลัวหรือไม่สมัยก่อนครูบาอาจารย์ท่านก็ต้องไปหาเสือกันที่ไหนมีเสือท่านก็จะเข้าไปหากันเพื่อจะไปพิสูจน์ดูว่าท่านปล่อยวางร่างกายได้หรือไม่ท่านเห็นร่างกายเป็นท่านดินน้ำลมไฟจริงหรือไม่การเห็นแบบที่ไม่มีเหตุการณ์มากระทบกับใจนี้มันยังไม่รู้ว่า เห็นเห็นแล้วปล่อยได้หรือไม่ก็ต้องเอาไปพิสูจน์อีกทีนึ่งก่อนคำถามต่อไปจากคุณศักด์เห็นมีวัดบางวัดพระเอารูปตัวพระเองกำลังทำนาการกระทาเช่นนี้มันผิดต่อพระวินัยใช่ไหมครับไม่เข้าใจความหมายน่าจะพระทำนาค่ะพระทำนาได้ไง อ๋ออืมก็มันไม่ใช่เกตของพระไม่ใช่เลยก็ถ้ามันไม่ไม่ไม่ผิดถ้ามันมีเหตุมีผลต้องทําก็มันก็มาฟังไม่เกิดเนี่ยเพราะว่างานของถ้าพระอยากได้ข้าวก็บินบาตได้ในนี้ต้องไป ท, าทไํานาทําไมงั้นมันอาจจะนอกลู่นอกทางบ้ง มันไม่ใช่เป็นกิจวัตรที่พระเจ้าทรงสอนให้พระกระทำกิจวัตรของพระก็คือถ้าอยากจะได้ข้าวก็ให้ออกบบญทบาทไม่ให้ไปปลูกข้าวนอกจากว่าสมมตินะไม่มีใครใส่บาตรไม่มีใครให้ข้าวมาต้องปลูกข้าวเองอันนั้นก็อีกกรณีหนึ่งแต่นี่มันไม่ใด้เป็นในกรณีอย่างนั้น ไม่ควรที่จะไปทานาทำไร้ไถนาเพราะมันไม่ใช่เป็นสัมอาชีพของนัก บ, บวชของพระสัมมาชีพของนัก บ, บวชก็คือการออกบินทบาตคำถามต่อไปจากแม่ชีหมอกระยามีอาการนั่งไม่ติดเดินไม่ติดมันภาวนาไม่ได้แต่พอคิดถึงคำว่าละว่างวา ง, วางฉันทะวิริยะจิตตา วิมังษาแล้วมันโล่งอาการนั่งไม่ติดเดินไม่ติดมันหายไปจึงสงสัยว่าคําว่าละฟังดูมันง่ายแต่ในทางธรรมมันมีความหมายอะไรแฝงอยู่หรือเปล่าคะละก็คือละไงก็คือจใจว่ามันจะแฝงไว้ตรงไหนก็ไม่รู้ละก็คือปล่อยละความอยากละความโลภละความโกรธทั้งหลาย ถ้าละได้ใจก็ว่างใจก็เบาใจก็จะสบายถ้าละไม่ได้ใจก็ทุกข์ใจก็วุ่นวายก็มีอยู่แค่นั้นก็ให้ดูตรงนั้นก็แล้วกันความหมายของมันก็อยู่ตรงที่ว่ามันสงบหรือมันวุ่นวายถ้ามันสงบก็แสดงว่าละได้ถ้ามันยังไม่สงบก็แสดงว่ายังละไม่ได้ขออีกนิดนึงครับท่านอาจารย์คือ ผมกลัวผีครับคือจริงๆรู้ทั้งรู้ว่าผีเราเนี่ยก็คือผีตายไปก็เป็นผีแต่ว่ามันยังกลัวอยู่กลางคืนแบบเนียบอย่างเงี้ยลมพัดอย่างงี้มันจินตนาการมันนึกมาว่าผีโผล่มาอย่างงุนอย่างงี้อะไรอย่างนี้ครับคือมีวิธียังไงครับถึงจะหาย<อ>ถึงจะทำให้หายกลัวครับก็ต้องสวดมนต์ไปเวลาเกิดความกลัวขึ้นมาพระเจ้าบอกว่าถ้าเกิด ความกลัวให้แล้วเลกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สวดบทพุทธคุณสวดบทธรรมคุณสวดบทสังคคุณไปรหรือจะบริกรรมพุทธโธธรรมโมสังโฆไปก็ได้อย่าให้ใจไปคิดถึงเรื่องที่เรากลัวคืออย่าให้ความกลัวความจริงมันออกมาจากความคิดปรุงแต่งของเราเองตอนนี้เราไม่ได้คิดถึงมันมันก็เลยไม่กลัวเวลามันคิดมันก็จะกลัว เวลาที่จะให้มันหายกลัวก็อย่าให้มันคิดครับให้มันคิดกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แทนถ้าสวดอยู่กับบทพระพุทธคุณพระธรรมคุณไปเดี๋ยวใจสงบใจหยุดคิดแล้วมันก็หายกลัวครับผมสวดกรณีอ ะ, อะไรก็ได้ข อ, ขอให้สวดสวดแล้วอย่าสวดแล้วอย่าไปคิดถึงเรื่องที่ทําให้เรากลัวเท่านั้นเองถ้าสวดแล้วไปคิดควบคู่กันไปก็จะไม่หายต้องลืมเรื่องที่เรากลัวไปอ๋อครับผม คำถามครับอาจารย์ขออนุญาตถามพระอาจารย์อีกคําถามนะครับเคยได้ยินมาว่าพระป่าเวลาเ อ, อไปทุ่งตงในป่าเนี่ยนะครับแล้วก็ปรากฏอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ต้องสวดกลัวป้องกันพวกสัตว์ปีพิษอย่างเช่นพวกงูหรืออะไรแล้วแต่นะครับ อ, อ, อ, อสวดเมตตาหรือว่าสวดวิรูประเขนะครับอันนี้ความเป็นจริงเป็นยังไงครับพระอาจารย์ครับ ความเนีรก็อย่างที่บอกอะมันดับความกลัวได้แต่หยุดงูไม่ได้หรอกงูมันจะมามันก็มาใช่ไหมแต่ถ้าเราไม่กลัวมันแล้วมันจะมาแล้วไม่มาก็ไม่มีปัญหาอะไรไม่กลัวก็เล่นกับมันได้งั้นอุบายของนักบาก็ให้เราภาวนานั่นเองเพื่อจะได้ดับความกลัวแต่เรากลับไปคิดว่าสิ่งที่เราสวดจะไปป้องกันไม่ให้จัดมันมาทําร้ายเรา อันนั้นคนละเรื่องกันสัตว์มไม่รู้เรื่องเร า, เราสวดอะไรมันหิวมันอยากจะกินเรามันก็ามาถ้ามันเป็นเสือเป็นอะไร <c oughs> <c oughs> เราเวลาหิวเรายังต่อให้ปลาปูนี่มันสวดยังไงเราก็ยังไม่หยุดกินมันใช่ไหมแล้วมันหยุดหยุดความกลัวในใจของเราความกลัวนี่รุนแรงกว่าความตายเขาจะไหมความตายนี่นไม่ทุกข์หรอกที่ ที่มันทุกข์ก็คือความกลัวความตายนี้ไม่หายใจปั๊บมันก็จบละเหมือนนอนหลับไปั่นเองมันไม่มีความทุกข์ในความตายมันมีความทุกข์ในใจที่เกิดจากความกลัวตายเท่านั้นเององั้นถ้าเราไม่กลัวแล้ว เ, เราก็ตายอย่างสบายแค่ยังกรณีที่ตายอย่างสบายที่พระอาจารย์ว่าเนี่ยนะครับมีสุขติเป็นที่พึ่งใช่ไหมครับ ใช่ก็ตายอย่างสงบมันก็ไปสู่สุคติอยู่แล้วที่จะไปแบบไหนไปแบบถาวรหรือไปแบบไม่ถาวรถ้าใช้สมาธิก็ไปแบบไม่ถาวรเดี๋ยวพอสมาธิเสื่อมก็กลับมาเกิดใหม่แต่ถ้าไปแบบปัญญามันก็จะไปแบบถาวระถ้าตายในสมาธินี้ไปเป็นพรหมใช่ไหมครับอาจารย์ก็จิตมันเป็นพรหมอยู่ทันทีขณะที่ได้สมาธิมันก็เป็นพรหมแล้วจะตายไม่ตายมันก็เป็นพรหมอยู่แล้ว พระพุทธเจ้าไปถึงนิพพานแล้วยังไม่ตายใช่ไหเจิตของพระเจ้าถึงนิพพานแล้วแต่ร่างกายนั้นยังไม่ตายในเวลาร่างกายตายไปก็ไม่ได้ไปเปลีป่ยนแปลงจิตที่อยู่ที่ทถึงนิพพานแล้วมีใค ร, รอยากจะถามอะไรไหมถ้าไม่มีก็จะได้ขอยุติการแสดงไว้เพียงเท่านี้